รักมันทำลายทำลายจิตใจให้เราเป็นบาเพราะรักแล้วเสียเสียทั้งน้ำตาที่เราไม่เคยเสียให้ใครเก็บความรักที่พ่ายแพ้ เพราะคนคนหนึ่งทิ้งความเจ็บชำ้ำที่กะกินในใจทิ้งลงแน่ น, น้ำแล้วลืมทุกอย่างหันมองดูความรักลอยไปปล่อยให้ไหล ไม่มีไรต้องเหลือทิ้ง ความรักที่ไายแท้ Hey, hey, l i g